ทุกความรักมีนิมิตหมายถ้าสังเกตดูก็รู้ปลายทางได้เพื่อจะดูว่าคู่ของคุณเป็นคู่บุญหรือเปล่าต้องดูจากหลักฐานที่เห็นง่ายและชัดเจนอันได้แก่ความรู้สึกดีๆในช่วงเวลาที่รู้จักคบหาหรืออยู่กินกันยิ่งครบรอมขึ้นเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นและเพื่อจะดูว่า คู่ของคุณเป็นคู่บาปหรือเปล่าก็ต้องดูจากหลักฐานที่เห็นง่ายและชัดเจนอันได้แก่ความรู้สึกแย่ๆในช่วงเวลาที่รู้จักคบหาหรืออยู่กินกันยิ่งครบวงจรขึ้นเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นทุกความรักมีนิมิตหมายแสดงให้เห็นตั้งแต่แรกถ้าสังเกตดูก็รู้ปลายทางได้ นิมิตหมายของรักแบบถึงเลือดถึงเนื้อคือความผูกใจเจ็บรุนแรงหรือน้อยใจเกินเหตุดื้อเงียบจมทุบแสดงออกปึงปังหุนหันพลันแล่นลูกพันด้วยความทรมานและลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมนิมิตหมายของรักแบบป่าเถื่อนคือความโมโหร้ายเจ้าอารมณ์ใช้ความรุนแรงทั้งทางคำพูดและการลงมือลงไม้เป็นทางออก ปูกพันุ์กันด้วยอารมณ์ที่ใกล้กับความเจ็บปวดทางกายหรือทางใจมีิมิตหมายของรักแบบสิวิไลคือการคิดก่อนพูดหรือเผลอพูดไม่ดีเราคิดได้เร็วสมองมีน้ำหนักมากกว่าปากและมือไม้ปลูกพันธุ์กันด้วยเหตุผลที่ใกล้กับทางออกของทุกปัญหา นิมิตหมายของรักแบบถึงจิตถึงใจคือความอยากให้อีกฝ่ายเป็นสุขกับอยากสุขไปด้วยกันรวมกันทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในโลกผูกพันกันด้วยน้ำใจงดงามและลงเอยด้วยสุขนาตกรรมนิมิตหมายของรักแบบหมดทุกข์หมดโศกคือความปรารถนาจะพ้นปวงทุกข์ทั้งหลายไปด้วยกัน ส่งเสริมกันและกันในทางสละออกด้วยใจไปพร้อมๆกันผูกพันกันด้วยสติปัญญารู้ซึ้งถึงธรรมะแบบพุทธมีกันและกันเพื่อทำลายอุปาทานอันเกิดจากกันและกันจะว่าไปคู่บุญที่อยู่กันดีๆตายจากกันดีๆไม่นับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเท่าไหร่ในเมื่อมีต้นทุนสร้างความรู้สึกดีๆอยู่แล้ว ที่น่าชื่นชมที่น่ายกย่องว่าเจ๋งจริงคือคู่บาปที่มาอยู่กันแบบคู่บุญหรือใต้จากกันแบบคู่บุญ